หมายถึงเวลาล่วงมาครบปีรุ่งขึ้นก็เป็นวันเริ่มฤดูเหมันอีกการเตรียมตัวของกัมปินละซึ่งเต็มไปด้วยความรอบคอบและเป็นการระดมสัพพะกำลังที่มีอยู่ได้เป็นไปตลอดระยะเวลาหนึ่งปีครานพื้นดินหมาดแห้งเพราะที่กองทัพจะเคลื่อนไปได้แล้วกษัตริย์กัมปินละก็สั่งเคลื่อนพลโดยมีชักช้าทางฝ่ายอยุธยา ซึ่งสืบรู้ความเป็นไปในการเปินละอยู่เสมอคงทำเป็นเสมือนไม่สนใจในความเคลื่อนไหวของทัพกำมปินละตามเคยพระเจ้าสุรเสนะผู้ทรงปรึกษาเป็นอันดีกับทนิยะพระราชบิดาแล้วก็สั่งการรับไว้ล่วงหน้าโดยไม่ใช้ยุทธวิธีเดิมเพราะทรงทราบดีว่าศัตรูจะยกมาอีกก็คงหาทางป้องกันและแจ้กลยุทธ์ของอยุธยาโดยไม่ต้องสงสัย อำมาตย์ราชบริพารทั้งหลายผู้เคยเห็นความสามารถในการป้องกันครั้งที่แล้วพากันแน่ใจและอุ่นใจว่าถึงอย่างไรก็คงมีวิธีป้องกันอย่างดียิ่งแม้กระนั้นบุคคลผู้มีธาตุแห่งความคลาดเมื่อได้ข่าวว่าทัพกัมปินละยกมาครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกคราวก็เว้นเสียไม่ได้ที่จะรู้สึกหวาดระแวงในอนาคตภัยและความพินาศ ที่พ่งได้รับจากสงครามการฝึกของทัพฝ่ายกัมพิละเพื่อการต่อสู้กระบอกพ้นไฟนั้นได้ทดลองได้ผลมาดีแล้วจึงกล้ายกทัพมาอีกนั้นก็คือทำเป็นประหนึ่งจะยกทัพเข้าเหยียบจำํำ พอข้าศึกหยุดชำนวนกระบอกพ่นไฟก็รีบถอยออกให้ห่างอย่างมีระเบียบจะทําเป็นรุกอีกเพื่อล่อให้จุดชำนวนกระบอกพ่นไฟแล้วก็ถอยอีกจนแน่ใจว่าการจุดชนวนเครื่องจีดขวางครั้งแล้วครั้งเล่าได้หมดสิ้นลงแล้วคราวนี้ก็จะระดมกําลังทั้งปวงเข้าเหยียบกรุงอยุธยาพร้อมกันทุกด้านในการเคลื่อนทัพครั้งที่สองนี้ได้มีผลม้าและผลเดินเท้า สมทบมาด้วยเป็นอันมากแต่ได้จัดให้อยู่ขบวนหลังของทัพช้างในเมื่อตั้งมั่นกองทัพอยู่นอกบริเวณป้องกันของอยุธยาอันหนึง่งเพื่อความรอบคอบฝ่ายกัมปิลละได้เตรียมเครื่องป้องกันไปสำหรับช้างและคนขับขี่ไปด้วยกล่าวคือในเมื่อเห็นว่าจะถอยหนีไฟไม่ทันก็จะดึงแผ่นหนังลงไปปิดด้านหน้าของช้างส่วนคนที่อยู่บนหลังช้าง ใช้โล่ป้องกันไม่ละอองไฟเข้ามาสู่ตนได้เมื่อกระบอกไฟหมดฤทธิ์แล้วก็จะดึงเชือกตลบแผ่นหนังขึ้นไว้เหนือคอช้างและขับช้างรุกต่อไปโดยในยา น, นี้กองทัพของกัมปิละก็แน่ใจยิ่งขึ้นว่าจะแก้ตัวความพลาดพลั้งคราวที่แล้วได้เป็นอย่างดีกองทัพของกัมปิละตั้งล้อมอยุธยาทุกด้านเว้นแต่ด้านที่ติดกับแม่น้ําสระยูดังเดิมเพราะด้านนั้น แม้ไม่ต้องล้อมก็เหมือนมีแม่น้ำช่วยล้อมให้แล้วทูตของพระเจ้ากัมปินละนำพระราชสารไปสู่ราชสำนักอยุธยาอีกในพระราชสารนั้นพระเจ้ากัมปินละทรงนัดให้พระเจ้าสุรเสนออกไปพบรงที่สนามรบเพื่อเจรจาศึกกันอีกเช่นเคย ในวันรุ่งขึ้นกองทัพช้างและอื่นๆของอโยธยาก็เคลื่อนออกสู่สมรภูมิมีพระเจ้าสุรสีนะทรงนำพลอย่างสง่างามยิ่งพระเจ้ากัมปินละทรงยืนช้างคอยทีอยู่แล้วก็มีพระราชลํำรัตว่าดูก่อนกษัตริย์แห่งอโยธยาข้าพระเจ้ามาคราวนี้เพื่อจะแจ้ตัวอีกครั้งครั้งที่แล้วและพร้อมที่จะต่อสู้กับกระบอกพ่นไฟของท่าน คราวนี้อุบายตื้นๆอย่างนั้นจะไม่สามารถป้องกันอยุธยาไว้ได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะให้โอกาสแก่ท่านอีกว่าถ้าท่านจะยอมแพ้เสียแต่โดยดีข้าพเจ้าก็จะยกความผิดให้และไม่เอาชีวิตแต่ถ้าขืนดื้อดึงก็จะต้องลงทันอย่างหนักถึงกับชีวิตในที่สุดพระราชาแห่งกัมปินละผู้เจริญข้าพเจ้าใคร่จะถามท่านว่า ถ้าเห็นประโยชน์อะไรหรือจึงพอใจในกรารทำสงครามนักทั้งทั้งที่ได้แพ้เจบเจินไปในครั้งที่แล้วหรือข้าพเจ้ายังไม่ทันรบกับท่านแทนที่จะยุติเพียงนั้นท่านกลับยกทัพมาอีกดูประเนินงว่าความทุกข์ยากของทหารทั้งหลายที่ต้องเหน็ดเหนื่อยและสละชีวิตเพื่อสังเวยความมาักใหญ่ไฟสูงของท่านนั้นไม่มีค่าอะไรเลยดูก่อนกษัตริย์แห่งอโยธยา ท่านนี้เจรจาปากกล้านักธรรมดาพระมหากษัตริย์ผู้ครองแว่นแขวนก็จะต้องสแสวงหาเมืองขึ้นเพื่อขยายความเป็นใหญ่ออกไปการกระทาของข้าพเจ้านี้ก็เพื่อความยิ่งใหญ่ของชนชาวปัญจาละเองเพราะฉะนั้นถ้าชาวปัญจละจะต้องลำบากเพื่อขยายปัญจาละให้ยิ่งใหญ่ออกไปก็ดูไม่เชิงว่าเป็นการเสียสละเพื่อผู้อื่นแท้จริงก็เป็นงานร่วมกัน ของชาวปัญจละทั้งหลายตัวข้าพระเจ้าเองนั้นก็มิใช่จะทะเยอทะยานอะไรแต่ก็ต้องการให้เป็นเกียรติประวัติไว้ว่าในสมัยข้าพระเจ้าปัญจละได้รุ่งเรืองแผอนาเขตลงมาถึงอยุธยาเพราะฉะนั้นเพื่อเสงวนชีวิตเลือดเนื้อไม่ให้เสียไปโดยไม่จำเป็นจึงขอให้ท่านพิจารณาดูให้ดีและรอบคอบว่าจะยอมแพ้หรือจะพอใจ เห็นอยุธยาพินาศเหลือแต่ซากก็ตามใจราชาแห่งกัมพิลาผู้เจริญท่านอ้างธรรมดาหรือประเพณีของกษัตริย์ผู้กระหายสงครามมาเป็นแบบแผนทำไมจึงไม่คิดดูบ้างว่าแบบแผนอันเลวสามเช่นนั้นควรจะได้เลือกละเสียเพราะแบบแผนที่ดี ที่เป็นไปเพื่อความสงบมีอยู่ท่านไม่รู้ไม่ทราบดอกหรือว่ามีพระราชาเป็นอันมากที่ทรงเห็นว่าความมาักใหญ่ไฟสูงของผู้ปกครองเพียงคนเดียวนั้นได้ยงความพินาศให้แก่ไพ่ผนทั้งสองฝ่ายเป็นอันมากเป็นเรื่องน่าสะลดใจยิ่งจึงได้ใช้วิธีที่ตรงกันข้ามกับสงครามคือมีสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันเอื้อเฟื้อเื่อแผ่กันบ้านเมืองของใคร กตั้งหน้าทำนุบำรุงไปก็จะมีแต่ความผาสุกร่มเย็นต่างคนต่างอยู่อย่างไม่มีเวรกันสันติสุขก็จะแผ่ไปทั่วทิศเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอเตือนให้ท่านเห็นแจชีวิตเลือดเนื้อของผู้อื่นเห็นแจความสงบและยกทัพกลับไปเสด็เถิดข้าพเจ้าพร้อมที่จะส่งเครื่องคำนับไปยังเมืองของท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้สูงอายุกว่า ถ้าทำได้ดังนี้ทุกฝ่า ย, ายก็จะมีความสุขโดยไม่ต้องเบียดเบียนกันดูก่อนกษัตริย์แห่งอโยธยาสมัยก่อนแต่การที่ข้าพระเจ้าจะยกทัพมาครั้งแรกเหตุไฉ น, นท่านจึงไม่ส่งเครื่องบรรณาการไปแต่เมื่อข้าพระเจ้ายกมาแล้วท่านมาพูดในทางสัมพันธไมตรีจึงเป็นไปไม่ได้ที่ข้าพระเจ้าจะถอยทัพกลับไปอันหนึ่งในปีที่แล้วข้าพระเจ้าได้เสียทีแก่ท่าน ในปีนี้จึงเป็นการสมควรที่จะได้ทำการแก้ตัวเพื่อให้เห็นฝีมือไว้ข้าพระเจ้าไม่โจมตีท่านทันทีนทแต่ได้ให้เรียกมาเจราจา ก, กันก่อนก็ด้วยนึกว่าท่านจะได้คิดเมื่อท่านยังยืนยันความเห็นเดิมก็เป็นการจำเป็นที่จะต้องทำลายอยุธยาให้แหลกเป็นการสอนให้สานึกในความอวดดีต่อไป ราชาแห่งกัมปินละผู้เจริญเมื่อท่านดื้อดึงจะเป็นฝ่ายรุกรานให้จงได้ข้าพเจ้าก็จะให้ท่านดูอะไรบนหลังช้างเบื้องหลังของข้าพเจ้าพระเจ้าสุรเสนะรับสั่งดังนั้นแล้วก็ได้นําช้างซึ่งมีกรูบอยู่บนหลังมีผ้าม่านปิดไว้ออกมาแสดงตนในเบื้องหน้ารวมสองเชือกและให้เปิดม่านออกช้างเชือกหนึ่งมีมเหสีและธิดา ของพระเจ้ากัมปิละนั่งอยู่นาภายในอีกเชือกหนึ่งมีอรสสามองค์นั่งรวมกันมีทหารถืออาวุธคุมเชิงอยู่พร้อมที่จะทำร้ายทันทีเมื่อได้รับคำสั่งเมื่อสั่งให้นำช้างทั้งสองเชือกเอาไปแสดงให้ปรากฏแล้วพระเจ้าสุรเสนะจึงตรัสว่ากษัตริย์แห่งกัมปิละผู้เจริญบัดนี้ท่านได้เห็นแล้วว่าใครอยู่บนหลังช้างนั้น และกําลังรอรับคมดาบของทหารฝ่ายอยุธยาอยู่ในทันใดที่ท่านสั่งให้กองทัพเคลื่อนทัพเข้ามามเหิศีพร้อมด้วยโอรสและที่ดาบของท่านก็จะต้องเสียชีวิตเพื่อบูชาวความมากใหญ่ของท่านแต่ถ้าท่านคิดได้ก็ขอให้เร่งยกทัพกลับไปโดยเร็วต่อเมื่อยกทัพเข้ากรุงกัมปิละเรียบร้อยแล้วจึงค่อยส่งคนมารับมเหิศีกลับไปส่วนโอรสธิดา เราจะยึดไว้เป็นประกรันก่อนโดยมีกำหนดว่าจะส่งคืนให้ปีละหนึ่งคนจนกว่าจะหมดดูในย น, นี้จะเป็นเวลาสีปีที่ท่านจะรับโอรสกับคืนไปได้ทั้งหมดทั้งนี้เพื่อให้อยยธยาพ้นจากการลุกรานของท่านอย่างน้อยก็อี ก, กสีปีกษัตริย์แห่งกัมปิละยืนช้างตะลึง พระเสโทไหลทั้งที่อากาศในขณะนั้นยังไม่ร้อนอะไรเลยลมหนาชยมาน้อยๆก็ไม่สามารถทำความเยือกเย็นให้ได้ความแน้นความละอายและความเป็นห่วงพระเมเหสีพร้อมทั้งโอรสธิดาทำให้เกิดอาการลังเลไม่รู้ว่าจะสั่งการอย่างไรถูกในที่สุดก็ตะวาดออกมาด้วยความโกรธสุดชีดว่าไอ้ศัตรูร้ายกูยกทัพมาครั้งนี้ ก็เพื่อจะทำสงครามกับมึงให้เห็นฟีมือไว้เหตุไหนจึงใช้วิธีลอบส่งคนไปลักมเหสีและโอรสิดาของกูมาโทษของมึงทั้งนี้ใหญ่หลวงนักจงส่งคืนมาให้กูเสิโดยดีมิเะ่นนั้นกูจะให้จับชาวโยธยามาทรมานเสียสิ้นไม่ปรานีผู้ใดเลยกรสาสัแห่งกัมปินละผู้เจริญท่านมุ่งแต่จะรบอย่างทุ่มกาลังจนหมดตัวและไม่ได้เตรียมการป้องกัน กัมพิละอย่างที่ควรเลยคนของคาราพระเจ้าซึ่งเตรียมไว้จึงเขารักภาตัวมาเหสีพร้อมด้วยอริดามาได้ทั้งยังมาถึงอยยธยาก่อนที่ทัพของท่านจะมาถึงด้วยซ้ำนี่ก็แสดงว่าอยยธยาไม่ได้เป็นหุ่นหรือเป้าที่จะให้ท่านรันทำย่ำยีได้ตามชอบใจเรารู้แม้กระทั่งเส้นทางที่ใกล้ที่สุดระหว่างกัมปิละและอยุธยา เรามีผานาที่มีฝีเท้าเร็วกว่าของท่านเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นการแปลกอะไรที่เราจะเป็นฝ่ายได้เปรียบท่านบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องตัดสินใจว่าจะยอมเสียอรรธิดาและมเหสีดีหรือว่าจะยอมถอยทัพไปดีหรือเมื่อยังลังเลอยู่ครับพระเจ้าก็จะให้เวลาแก่ท่านแต่ก็ต้องจาไว้ได้ว่าในทันทีที่กองทัพกัมพิละ ร่นเข้ามาโอรธทิดาและมเหสีของท่านจะต้องถูกประหารด้วยดาบหมดทุกคนโดยปราศจากความปราณีพระเจ้าสุรเสนมีพระดำรัสอย่างนี้แล้วก็สั่งให้ถอยทัพเข้าแนวป้องกันปล่อยให้กษัตริย์แห่งกัมปิละยืนช้างตะลึงสั่งอะไรไม่ถูกอยู่ตามลำพัง พร้อมได้ผลช้างของพระองค์วิธีการของอโยธยาได้ผลอย่างปาฏิหารคือนั้นกองทัพที่ล้อมอยู่ทั้งหมดก็ถอยทัพกลับไปสิน้นพระเจ้าสุรเสนทรงปิติยินดีที่สามารถสงบสงครามได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองชีวิตทหารและได้สั่งให้ถวายพระเกียรติแก่พระมเหสีพระอรธิดาของกรรษัตริย์กัมบิลละเป็นอย่างดี